เราเรียกมาสัมสอนโดยเฉพาะเฉพาะก็มีบางทีเรียกประชุมกันลําับเรียกประชาหนหุก็มีนะพูด ต, งตรงโก่งๆไปโก่งมาตามความรู้สึกตามความเข้าใจที่แน่แล้วว่าไม่ผิดให้ใหฟังก็มีเช่นอื <c oughs> เวลานี้มาอยู่กับครูอาจารย์มันกําลังซ่อนเล็บนะ <c oughs> เล็บมีมันยังไม่กลางวเวลานี้มันกำ like <c oughs> ล, ลังซ่อนเล็บเอาไว้จลิตนิสัยทำได้ด้านทั้นด้านไม่ดียังไงมัน เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เหมือนกับเสือซอดเล็บหน่อยเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บมันเต็มเึ็งนะคอยดูนะอยู่นี้เราก็คอทราบได้แล้วว่ามันเป็นอย่างไงแล้วออกจากท่านไปแล้วมันก็เป็นจริงๆไม่ผิดเป็นพญาราษฎร์ศรีก็ได้มันผิดหรือเ่านี่มันเป็นบทเรียนที่สำคัญน้อยมากมันไม่ได้งานเดยทั้งอะไรหรือได้เด่นดบดดัน ก็ทะเลาะกันอืมไม่ทราบทะเลาะลหาเหตุผลอะไรมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะการทะเลาะกันอยู่ถ้าคุณวุ่งไปหาธรรมแล้วมันน่าน่าอายสุนทรภูมิน่ะนั่น้มนะ่้ชหน้าอายเพื่อนฝูงอันเดียวกันมัน น, น่าอายก็ทั่งหมาไปทะเลเาะกันทั้งทั้งก็ไปสอบแสงหาธรรมแล้วเอาความทะเลาะกันมาเหยียบย่ากันลายธรรมโดยเข้าใจว่าตัวดีตัวนี้ได้ทะเลาะกันความสุขนในเรื่องกิเลสมนะันเดียวเลย ความชนะในเรื่องความเพียรเกี่ยวกับบําเพ็ญธรรมชนะพิเรนไปโดยลาดับ น, นั่นจึงเป็นทางกําเนินเพื่อความพน้นทุกข์ถือหลักเกณฑ์นนี้เป็นสาคัญเราพยายามอยู่กับท่านหนักนเบาขนาดไหนเราก็พยายามหลังเทิดทูนท่านรักษาให้ท่านได้รับความสะดวกสบายไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องท่านเลยเราพยายามรักษาภายนอกท่กับเนร มีมากอะไรเราคอยจอดจอดูแลดุด่าว่ากล่าวอยเรื่อยแต่ก็เดชะนับพระมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมพูดกองกองตั้งแต่อยู่กับทานอาจารย์มั่นก็เหมือนกันมาทะลึ่งไม่ได้เพราะไม่มีเรื่องอะไรจะมาทะลึ่งเราเราพูดโดยเหตุโดยผลดว้วยธรามการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆไม่มีโลกาภิษใดๆที่จะมาแทรกหัวใจเราได้ทั้งๆที่เรามีกิเลสลรามุ่งต่อธรรมล้วนแต่ะตูประจายทยาทานเกิดขึ้นมาม า, มากน้อยท่านมอบภาระให้เราเป็นคนจัดทำแจก จ่ายผ้าทั้งนั้นผมไม่เคยจะไปหยิบเอาอะไรมาเป็นส่วนตัวของผมเพราะผมไม่ต้องการของการที่จะให้ผ้าเน้นเลยรับความสะดวกสบายทั่วถึงกันแล้วเราก็ทำเต็มสติกำลังความสามารถของเราเท่านั้นเม่มีอะไรเราใช้ผ้าสามพื้นมาเป็นประจำกระบงกีวรสังขาติสภาพน้ำพื้นหนึ่งเท่านั้น เป็นปกติมันมารู้หราตอนที่มาเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนนะพี่กีวันไม่ทราบกี่ผืนสะมงมันราบกี่สิบกี่ร้อยผืนก็ไม่รู้แหละอืเต็มไปหมดเกอนไปหมดะเราแบบทาไปเหมือนก็หัวหมวกตามบอดไปเราถ้าคํานึงถึงครูบาอาจารย์เสมอคํานึงถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเสมอเอามาเป็นแบบเป็นฉ้าบัตรกิเลสมันใกล้ชิดสนิทกับใจเรามากนะ เออะที่เหล่จะขึ้นก่อนอืที่เหล่จะขึ้นก่อนทําไม่ทันแหละทัติน่ทัติทำปัญญารมไม่ทำยังต้องพยายามผิดขึ้นพยายามผุดค้นพยายามฝึกฝนประมานทุกก็ยอมรับว่าทุกเราต่อสู้กับข้าศึกไม่ทุกได้เลยเขาต่อยกันบนเวทียังต้องถูกทั้งคนแพ้คนชนะนั่นแหละมันทุกข์ด้วยกันอย่าเข้าใจว่าคนแพ้จะ ร, รับความทุกข์คําบาก คนชนะจะไม่มีทุกอะไรเลยมันทุกด้วยการดีไม่ดีคนที่ชนะทุกเจ็บมากยิ่งกว่าคนแพ้ก็ยังฮนะฟังแต่ว่าามาต่อสู้ปเป็นไงมันไม่กําลังบางชา ม, มันไม่ทัดเทียมกันแล้วมันจะไปต่อสู้กันได้ยังไงกำลังบางชามต้องทัดเทียมกันใครก็มั่นใจว่าชนะนะมันถึงขึ้นต่อสู้กันบนเวทีทีนี้กิเลสมันเปี่ยนกายมานานเท่าไหร่ฝามใจของเราเนี่ย เราไม่ผิดสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของกิเลสตลอดถึงความาพยากเพียรความวุสาหพยายามให้เลี่ยงไกลจริงๆแล้วมันก็ไม่ทันกับกิเลสเดี๋ยวขึ้นไปยังไม่ถึงไหนเข้าไปทางยังกลมทั้นั้นมันกอนนอับล้มทั้งหายนับล้มทั้งหายล้มทั้งความล้มไม่เป็นท่าไปหมดนั่งอยู่ก็ล้มเดินอยู่ก็ล้มยืนอยู่ก็ล้มนอนอยู่ก็ยิ่งล้มไปอีกเพราะความไม่มีสติเพราะความไม่มีปัญญา เพราะความไม่มีแกใจที่จะฝึกฝนทรมานเพราะไม่มีความเด็ดเดี่ยวภายในจิตใจทิเลตกลัวได้ที่ไหนท่เลตไม่กลัวความอ่อนแอทิเลตไม่กลัวความไม่จริงไม่จังแต่ทิเลตกลัวความมีความจริงความจังความเข้มแข็งความเป็นนักต่อสู้ความเป็นผู้มีสติปัญญาผิดขึ้นทุกวันทวันในทิเลตกลัวในโลกนี้ทิเลตไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกลัวแต่ธรรมพระพุทธเจ้าชนะทิเลตได้ด้วยธรรม สามโลกอรหัสรหันทุกๆองค์ท่านชนะกิเลสได้ด้วยธรรมเราแพ่กิเลสได้ด้วยอะไรถามพจ่ น, นัาด้วยความไม่มีธรรมด้วยความอ่อนแอนั่นเองไม่ใช่ด้วยธรรมต้องผิดเึ้ินมาเว้นลูกศิษย์ตาสุแล้วไปถอยทางใหม่ผมอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินผลแห่งการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อน อยากได้ยินถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเย็น <c oughs> แล้วพร้อมพร้อมเสมอที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มภูมิเต็มสติกําลังความสามารถของตนเราอยากได้ยินได้ฟังสมาธิมันแสดงขึ้นเมี่ยใดเราพร้อมเสมอที่จะแก้หากว่ผิดถูปกประกันในเราพร้อมเสมอไม่ว่าสมาธิทัานใดปัญญาขั้นใดเราก็ปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถของเราเราเคยได้เล่าถวายครูวาอาจารย์ มาเป็นลำดับลำดัตามความรู้ความเห็นตน้ น, นที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างไดที่แน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้างกราบเรียนท่นานทราบทุกแน่ทุกมุมอันไหนที่มั่นใจแล้วเป็นผลขึ้นมาอย่างชาัดเจนแล้วก็กราบเรียนท่นานทราบอันไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออันไหนเป็นความต้องกญรว่าแน่ใจแต่มันไม่แน่ตํางัารว่าถูกแต่ไม่ถูกก็เล่าให้ท่านถวายท่านท่านเป็นผู้แก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมในสิ่งที่ถูกแล้วและแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่เห็นว่ายังไม่ถูก ไป็นโดยลําดับลำดาบครูบาอาจารย์ทั้ ง, งภูมิใจเมื่อได้ยินผลของลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติปฏิบัติเกิดผลขึ้นมามากน้อยมาแสดงออกการปฏิบัตินี้เห็นผลไปจากในใจนะไม่ใช่ จ, จะไปเห็นผลช า, น, น, า, า น, นินาชนนัตินู่นชาตินี้ชาติไหนชาตินู่นชาตินี้ชาติสวรรค์นิพพานที่ไหนเห็นดูกับใจนี่จิตฟุ้งซ่านล้ำคานจิตเดือดร้อนวุ่นวายจิตเป็นไฟทั้งกองด้วยอํานาจของนะ ราคาขินาโทสักขินาโมหกขินาไฟคือราคาไฟคือโทสัไฟคือโมหกิจ ก, ก็รู้กิจเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้เสวยผลธรรมะกิตไม่รู้จิตพยายามปราบปรามกิเดตประเภทตัวนี้ออกด้วยน้ําคือทำดับไปพิเดตตัญหาราคะนี้ด้วยน้ําคือทำเย็นลงไปโดยลําดับลำดับก็รู้ไฟสงบลงไปไฟพิเดตตัวนี้สงบลงไปใจต้องรู้ใจมีสติจะมีปัญญาไม่รู้ได้เด้อและต้องรู้ จนกระทั่งมันดับหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นยิ่งรู้ทัดหายสงสัยเอห้จริงให้จังอยากได้ยินได้ฟังมือเพื่อนอะเกินแต่แม่ได้ยินนี่เดีเล่าเทพเหมือนกันมาโกหกตัเนเล่นๆนี่เดีสอนได้พูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมบางทีก็เล่าเรื่องความเป็นไปของเจ้ของให้ฟังการคิดปฏิบัติหนักเปามากน้อยเปียงลายก่อเล่าให้ฟังทั้งฝ่ายเหตุ เล่าให้ฟังทั้งผลเอาจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในพุงนี่เลยมาแบะให้หมู่เพื่อนฟังหมดก็เพื่อจะให้เป็นกําลังใจให้แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชาตินี้ชาติโน้นหรืออยู่สถานที่นั่นที่นี่หรืออยู่เวลานั้นการนี้ไปหรืออยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความภาคเพียรนี้นี่เดี๋ยมาพูดหมดแล้วเรื่องเหลนี้ ว่าขนยีพานอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ไหนความมืดบอดมันอยู่ที่ไหนความสว่างจ้ามันก็อยู่ที่นั่นแหละเมื่อ ด, ดับความมืดบอดลงไปแล้วกําจัดความมื ด, ดําลงไปแล้วความสว่างจ้าเกิดขึ้นมาเหมือนสถานที่นี่ถึงเป็นเวลากลางคืนมันมืดเปิดไฟขึ้นมามันก็สว่างไฟแรงเทียนสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสว่างจ้ามากขึ้นเพียงนั้นไฟเทียนก็มีแสงสว่างขนาดไฟเทียนดังที่เห็นอย่นี้แต่ไฟฟ้า ร้อยยังเทียนพันยังเทียนเข้าไปมันก็ยิ่งสว่างท่าไปหมดเลว่างนี่นี่ปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาล้มลุกคุกคานได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วได้ไปเรื่อยๆค่อยข ย, ยอบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆความสว่างก็แจ้งแจ้งไปเรื่อยเื่ปัญญาก็ดีเรื่องสติก็ค่อยสูงเรื่องติดต่อกันไปโดยลําดับธรรามันก็เท่ากับเหมือนกับหลอดไฟ ที่มีแรงสูงไปโดยลาดับแรงเพียรสูงไปโดยลาดับจนกระทั่งสว่างจ้ารอบตัวหมดนี่หมายถึงมหาสติมหาปัญญาเมื่อได้พร้อมมหาสติมหาปัญญาพร้อมกันแล้วเรื่องศรัทธาความเพียรความรู้ษาพยายามเข้าพร้อมกันหมดเป็นทําแท่งเดียวหมุนตี้วไปหมดนี่แหละอยู่ตรงไห น, นเป็นพุ่งพุ่งพุ่งไม่ถอยนี่แบบสู้ตาย พราะคุณค่าของกิจนี้เห็นเนอะคุณค่าของธรรมที่ปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมานี้มีคุณค่าขนาดไหนเห็นแล้วชัดเจนประจับขับใจนี้แล้วแล้วโทษของกิเลสมีมากน้อยอย่างไรก็คือตัวโทษอยู่โดยดีเป็นค่าสุดจักรูต่อใจอยู่โดยดีมันก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปเอาให้เรียบพุดหมดไม่มีอะไรเหลือพันธุ์ใจดุเมื่อสติปัญญาขั้นพอตัวได้ย่างลงไปแล้ว ไม่ว่าที่ตรงไหนก็สว่างแจ้งไปหมดธ น, นูนัตถิปัญญาสมาอาภาอะไรจะสว่างยิ่งกว่าปัญญาแล้วอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสพาให้จิตใจมืดละ่ะเอาใจเอาอะไรเประดับกิเลสที่มันทําให้มืดแปรทิศแปร ด, ด้านหรือพาใหิตใจถ้าไม่เอานัตถิปัญญาสมาอาภาเข้าไประงับดับมันเป็นความสว่างแจ้งขึ้นมาเลือกความสามารถของตนนี่เอาตรงนี้นักปุณณิภามอยู่ตรงนี้ ให้อยู่ที่ไหนเรความทุกข์ไม่ต้องไปคำนึงมันอย่าไปคิดเลยว่ามันทุกข์มันยากมันลาบากทางั้นไปไม่รอดนะการประกอบความเพียรเดินตรงกรมกับว่าทุกข์เสียจะนั่งสมาธิกับว่าทุกข์เสียจะพยายามบังคับจิตใจก็เป็นเรื่องฝืนจิตฝืนใจไม่อยากบังคับปล่อยไปตามยะถากรรมนั้นมาเป็นความสะดวกมันสะดวกจริงแต่มันเป็นแบบที่ เขาลากขึ้นเขียงนีเหมือนหมูลากขึ้นเขียงกิเลสมันลากหัวใจเราขึ้นเขียงสับเอาสับเอานี่จะว่าเหมไงหมูนอนนอนคอยเขียงนี่มันสะดวกอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมาคอยขึ้นเขียงให้กิเลสสับเราตั้งใจะจะมาซับย้ำกิเลสให้แหลกต่างหากนี่น ทุ ก, ก็ยอมรับว่าทุกผูท้ที่เจ้าก็ทุกมาแล้วศาสิดารของเราเคยทุกมาแล้วเป็นสกิพยานให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องอาตายสู้เลยสาวกก็เป็นกติกมาแล้วจึงว่าพุทธังสังฆังสนังกถามิ้วประกาศเราเน้นนับถือระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาพี่นาที่ทำมังสนังกรฐามนี้จะมาปรากฏขึ้นได้ก็เพราะ นี่แหละข้อปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกนี่เอาให้ถึงเหตุถึงผลน้ําอัดน้ํำทำที่เป็นน้ําอันอัศจรรย์ก็แสดงขึ้นมาได้ก็กลายเป็นพุทธทางธรรมังสังขั ง, งกนังกฉามนี้นขึ้นให้โลกได้กราบไาว้อย่างสมบูรณ์อันนี้เอาให้เห็นสิพุทธทางกนังกฉามิถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นชนิดหนึ่งถึงจิตใจของเราที่เป็นผู้รู้แหลมหลักนักปราดฉลาดแหลมคม เนืเ้อกิยลสทั้งหลายนี้เป็นพุทธทางสังฆฉามิโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตาสมบัติทั้งตัวโดยแท้ธรรมังสังฆฉามิเห็นประจันอยู่กับปิดของเรานี่เราถึงทำภายในใจของเรานี่สังฆั ง, งสังฆฉามิตัวเราเองเป็นสงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านี้ถ้ามันเห็นจะชันเลยย้อนเข้ามาให้มันถึงตัวนี่พุทธทางธรรมังสังฆฉ า, า, ามิเมื่อปฏิบัติจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รวมอยู่ที่ใจดวงบริสุทธิ์พุโธนี้เท่านั้นไม่มีที่รวมไม่มีที่อยู่ทาไม่มีที่สถิต มีเฉพาะจิตเท่านั้นเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมหมุนตีเข้ามานี่ทีพิจารณาให้ดีอย่าลดละท้อถอยอย่าอืดอาดเหนื่อยเน่อยเหนื่อยหน่ายไม่ว่ากิริยาภายนอกกิริยาภายในฝึกหัดให้จริงให้จังทาอะไรก็ตามอย่าให้ละหล่อแหล ะ, ล ะ, ล ะ, ละเป็นคนหลักลอยจับจดจ ด, จดทำอะไรไม่จริงไม่จังหาผลประโยชน์ไม่ได้ จากนี้ไปท่านปัญญาที่บายมีเพื่อนัน